สวรรค์มีอยู่ที่ใจใสพิสุทธิ์เพียงเราหยุดไม่อยากได้ของใครเขาเพียงเราพึงพอใจในของเราจะคว้าเอาสวรรค์ได้ไว้ครอบครอง อาจารย์ศีสุพังอินใสเราก็มาเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเจริญสติซึ่งดูแล้วก็เป็นเรื่องเก่าๆ เ, เดิมดมแต่ว่าเก่าๆ เ, เ, เดิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ ล้าสมัยที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าอะไรเพราะาการเจริญสติมันเรื่องเกี่ยวกับความสุขความทุกข์เกี่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับจิตของเราอันนี้ถือว่าไม่ล้าสมัยทาล้าสมัยแล้วก็ปัจจุบันต้องไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังมีกายมีใจยังต้องมีสุขมีทุกข์เราจึงจะไปต้องมีสติ ควบคู่ไปกับชีวิตของเราในทั่วเป็นชีวิตที่ไม่ประมาทโดยปกติแล้วชีวิตที่ประมาทเนี่ยมักก็บทรงจิตทรงใจให้ออกนอกตัวอยู่เสมอๆไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูเป็นต้นไปกับความคิดไปกับกิเลสไปกับผู้อื่นสิ่งอื่นนอกตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นการ ทรงจิตทรงใจออกนอกจิตของเราอันนี้ประมาทแล้วดึงกลับมาไม่เป็นไรดึงจิตดึงใจกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่แท้จริงที่อยู่กับปัจจุบันทําความรู้สึกตัวรู้ตัวอยู่เสมอที่กายที่ใจของเราเนี่ยเป็นปัจจุบันอยู่กับตัวเราอันนี้แต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาท ดูกายเคลื่อนไหวหรือจะมาดูจิตใจที่มันคิดมันนึกก็ได้การดูเนี่ยดูในทางธรรมคือความรู้สึกตัวนี่คือรู้ทาความรู้สึกตัวเอจิตเข้าไปรู้เนี่ยรู้กายที่มันกลังเคลื่อนไหวให้รู้สบายๆรู้เฉยๆรู้เล่นๆอย่าไปเพ่งอย่าไปเครียด กับการที่เราจะมีสติระ ล, ลึกรู้ลงไปรู้ลงไปที่ความรู้สึกที่กายกำลังเคลื่อนไหวอาการที่ไหวๆขึ้เนเคลื่อนไปอันนี้มันไม่มีชื่อหรอกมันมีแค่อาการมีแค่ความรู้สึกอย่าไปรู้ว่ามือกาลังควา่ากาลังหงายอันนั้นเป็นตัวสมมุติรู้ลงไปที่อาการที่กำลังไหวๆขึ้นเคลื่อ น, อ, นอันนี้แหละคือรู้ที่ตัวปรมัดเลย เห็นกายสัตว์ว่ากายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวใครเป็นเพียงสิ่งที่มาให้เราระลึกรู้เท่านั้นช่วยเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นการเห็นกายในกายรู้ลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเวทนาความเจ็บปวดเมื่อย ชาให้เรารู้ลงไปในอาการของมันอาการของเวทนานั้นก็มีอาการตึงๆหนักๆชาชาอันนี้ลราคืออาการอย่าไปรู้เหมันว่ามันมาจากไหนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยรู้ได้สมมุติแล้วมันจะลึกนั่นแหละเรารู้แค่อาการที่มันตึงๆมๆื่อยๆหนักๆ น, นี่คืออาการคือรู้ที่ความรู้สึกของเวทนาน บางครั้งเราเกิดความคิดนึกขึ้นมานะถือว่าเป็นการรู้จิตความคิดอย่าไปรู้ในเรื่องราวอย่า ล, ลึกลงไปในเรื่องราวของความคิดรู้ที่อาการฟูฟูแฟบแบนี่แหละคืออาการของความคิดรู้ในความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นตัวปรมัตรธรรมไม่มีชื่อไม่มีความหมายไม่มีสถานที่ ไม่มีที่ตั้งมีแค่อาการที่มันฟูๆแฝบๆนั่นแหละคือความรู้สึกของจิตหรือบางครั้งมันเกิดความง่วงมันเกิดความง่วงขึ้นมาเราอยากเข้าอยู่ในความง่วงระลึกรู้ลงไปในความง่วงนั้นมีสติลงไปความง่วงมีอาการที่มัน มึนๆซึมๆไม่แช่มชื่นสังเกตุอาการเหล่านี้นะอันนี้ก็คือความรู้สึกของความง่วงเป็นธรรมะเราเลื่อกลุกลงไปในความรู้สึกที่มันมึนๆไม่เช่มชืนเนี่ยหนักๆกําลังจะครอบงำจิตใจใเราเนี่ยนี่แหละคือความรู้สึกจะว่าเห็นธรรมในธรรมก็ได้ เ, เห็นธรรมสักแต่ว่าธรรมคือธรรมะ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นศัแต่ว่าศัแต่ว่ามาให้เราระลึกรู้เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เรามีส ต, ติระลึกรู้ลงไปที่เขาบอกว่าเห็นธรรมเป็นภายในเห็นธรรมเป็นภายนอกเห็นเวทนาเป็นภายใน เห็นเวทนาเป็นภายนอกเห็นจิตเป็นภายในเห็นจิตเป็นภายนอกเห็นกายเป็นภายในเห็นกายเป็นภายนอกก็คืออะไรภายในคือที่ตัวเราภายนอกคือที่ผู้อื่นแต่ว่าไม่ได้ไปดูผู้อื่นนะให้ดูที่ตัวเราเราจะรู้ว่ากายของเราเป็นยังไงกายของผู้อื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน เวทนาของเราเป็นยังไงเวทนาของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันจิตใจของเราเป็นอย่างไรจิตใจของผู้อื่นก็มีลักษณะเหมือนกันธรรมะที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นความง่วงธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นก็เป็นเช่นเดียวกันให้ดูที่ตัวเราเราก็จะเข้าใจผู้อื่นดูที่ตัวเราเป็นหลักนี่แหละคือเห็นกายในกาย เห็นกายเป็นภายในเป็นภายนอกคือที่ตัวเราแล้วเขาพูดทําอย่างนี้เรื่อยๆไปเนี่ยให้เข้าถึงตัวสติปัฏฐานที่แท้จริงคือรู้สึกลงไปที่อาการต่างๆที่กายที่เวทนาที่จิตที่ทำจะทําใจให้เราเป็นปกติจิตที่เห็นอาการต่างๆจิตต้องเป็นปกติถ้าจิตเป็นปกติแล้วก็ ถือว่าเข้าถึงตัวสติปัฏฐานแล้วหลักสําคัญของการเจริญสติก็คือมีสติมีความเพียรมีปัจจุบันรักษาใจให้เป็นปกติไม่มีความยินดียินร้ายจิตที่ไม่ยินดียินร้ายนั่นแหละคือธรรมะจิตมันหยุดแล้วแค่เพียงรู้เฉยๆบางท่านอาจจะถามว่าแล้วย่างนี้จะเกิดปัญญาได้อย่างไร ปัญญาคือการรู้เท่าทันในกองสังขารคือที่กายที่ใจของเราเนี่ยเรารู้เท่าทันแล้วเราถ้าว่าเราเกิดปัญญาแล้วจะไปหาที่ไหนทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดแล้วจิต ท, ที่เป็นปกติเราจะสงสัยว่าดับทุกได้อย่างไรก็ดับแล้วในปัจจุบันคือจิตที่เป็นปกติเป็นกลางกลาด้วยการมีสติรู้อยู่นี่แหละ ถ้กาเราคว้าเอาความไม่มีทุกข์ในจิตใจในปัจจุบันแล้ว